เป็นพระธาตุมีแสงมีสีเป็นเพชรนินจินดาเป็นถั่วเป็นงาเป็นแปรสภาพของสัพพัญชลังสีต่างๆนานาไม่เป็นอัติก็หมายถึงว่าไม่เป็นกระดูกกลายเป็นพระธาตุเพราะนั้นสิ่งที่ลึกที่สุดก็คือธาตุดิ น, พ ร, น, นพระที่มาประพฤติปฏิบัติ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 ยอมไม่ละแค่ไม่ละคายยอมไม่มีความรังเรสงสัยยอมมีความรู้สึกเห็นตัวอนิจจังว่าโอโนอ้อนี่คือสัจจะเรียกว่าสัจจะธรรมธรรมก็คือในเบื้องต้นเบื้องกลางแล้วก็เบื้องปลายเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลาย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 ธาตุลมก็เราก็หายใจที่หมุนเวียนเข้าไปรวมทั้งอากาศธาตุที่เข้าออกเข้าออกท้องยบท้องพ่องท้องยบท้องพ่องเรียกว่าธาตุลมแฝงไปด้วยอากาศธาตุทำให้เลือดลมเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพธาตุไฟก็คือทําให้เราเนี่ยรู้สึกอบอุ่นรู้สึกร้อน